3.20 วิธีฟังซีดีของหลวงพ่อวิธีฟังซีดีหลวงพ่อให้รู้เรื่องอย่าพยายามฟังแล้วคิดตามซีดีของหลวงพ่อไม่ได้เอาไว้คิดเล่นเล่นธรรมะไม่ใช่ของเอาไว้คิดเล่นเล่นฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหัดสังเกตใจตัวเองไปเช่นบางทีฟังรู้เรื่องก็สบายใจบางทีฟังไม่รู้เรื่องชักจะงงงงให้รู้ว่างงฟังไปฟังไปใจลอยหนีไปที่อื่นแล้วรู้ว่าใจลอยให้คอยรู้ใจตัวเอง ไม่ต้องมาฟังให้รู้เรื่องหรอกนะ